อะไรก็ไม่ได้ทำไม่ได้ยาก น, นี่ก็ยาก น, นี้ง่ายไม่ใช่แบบนั้นความยากความง่ายไม่มีปัญหาเรา mon ใสใจเรื่องนี้อยู่เวลาเราปฏิบัติแนี่มันก็เห็นอ่ะมันยากยากเป็นยากหรือยากเป็นรูเห็นแล้วรู้แล้วไม่ให้ความยากเป็นความยากความผิดเป็นความผิดวงมถูกเป็นความถูก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 เขให้ถึงแต่เมื่อก่อนเคยเป็นหมอทำคลอดไปดูคนป่วย <c oughs> คนเจ็บคลอดคนเจ็บคลอดก็มีทุกข์ <c oughs> ก็กลัวกลัวตาอยู่แล้วถ้าเราไปดูเขาเป็นนั่งอยู่นู้นให้เรียกหมอมาเรื่องหมอมาหรือยังไม่ใช่ควาเป็นหมอเข้าให้ถึง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 เครือ่องเจาะเครื่องสารก็ทําด้ยจับไม่ไผ่ขึ้นมาเป็นตอะเป็นมวยเป็นก่องข้าวเป็นกระบุ่งกระตาสนิจใจสนิจใจจริงๆก็ทํ า, า, า ไ, ดทได้สําเร็จชีวิตของเรามันสดชื่นจริงๆอะไรก็ทําไม่เป็นอะไรก็ทําให้เป็นไม่กลา้าไม่แก้วกลา้า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 ถกว่าชีวบก็พงวันลำลอยใส่เดินหนีไปเลยไม่สนใจเอ้เพื่อถือว่าเราพูดผิดไปเอาใหม่เอาใหม่ตั้งต้นใหม่แทนที่จะได้สแสดงธรรมแก่คนผู้พบเป็นคนแรกเนยผ่านไปอย่างไม่ทำาให้เขาไม่พอใจ ตั้งต้นใหม่เอาใหมา่ไอ้ไปพบปัญจพิชัหนีจากอีกอ ก, ก็ยังตมิมประโยู่ใส่ใจสองข้างล้วผิดพลาดพอไปถึงขั้งที่สามปัญจพิชัไปเห็นปัญจพชีไม่ลุกนั่ง เจ้าก็พวกเครื่องหอมแรงดูก่อนปัญจวคีดูก่อ น, อ, นอะไรก็ดูก่อนไม่เหมือนเราหรเราเป็นสยมผูไม่ใช่แบบดูก่อนเป็นเจวคีดูก่อนวางเจ้าแสดงธรรมดังที่เราสวดธรรมจักกับปวัตตสูตรมันเพราะที่ชนลอยไม่เหมือนคำ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 แล้วก็ได้ยินแล้วก็ฟังดูแ ล, แล้วแต่เขาจะทำน้าหายใจไม่ได้ผมจะเอาถุงนี่กบจะหมกให้หลวงพ่อสูดลมดูถ้ามันไม่เข้าผมจะเอานี่ยใส่ก็บอกของตอมสบายตามสบายตาาย่อเขาถออเขาถดเราหายใจลองดูไม่ได้หายใจไม่ได้กือขึ้นไหน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 ต้องโทษได้แบยายามโทษให้ได้เนี่ยหลันที่สุดก็โทษได้หมอคนหนึ่งว่ต้องโทษได้คนหนึ่งว่า ไ, ไม่ได้แล้วถได้ก็พยายามทำได้แล้วเฉิง นี่เราก็เหมือนกันลองดูทีมันนั่งเครื่องวินไปลงน <c oughs> ิวยอร์กเครื่องวินลงไปได้ <c oughs> ว่าจะลงเ <c oughs> จดขึ้นอีกสองรอบสามรอบแล้วก็ดูคอมวิวเตอร์ที่หน้าจอเขาว่าเขาก็าพูดว่า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 จะเป็นพ่อนาก็จัดสรรอย่างดีดำดำนาแปลงนี่จะปักดำมนันี่ดูแผนที่เป็นยังไงที่รุ่มที่ดอนไหมถ้าที่ดอนก็อกล้าเอาไปถอนกล้าแปลงนั่นใส่ที่ดอนก็ต้องเอากล้าอีกแบบหนึ่งที่รุ่งก็กล้าอีกแบบหนึ่ง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 ต้องค่อยๆ ย, ย่ายออกให้ได้รับแสงสว่างตากแดดขึ้ น, น, กนๆกลางๆล้ำได้ําไลไปคนล้วค่อยๆ อ, ออกไปเราเป็นชาวนาถ้าเอาก็าต้นก้าไปปักในที่ดนเอาก็าแช่น้ำไม่ได้ต้องอก้าที่ไม่แช่น้ำไปปักมันก็อยู่ได้ถ้าที่รุ่งเอาก้าที่ตอนไม่แช่น้ำไปปัก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 ก็ได้แต่ว่าเราดูท่าตามันต้องขุดล่องตี้ร่องมันแต่มันเอียงไปร่องหนึ่งมันเหี่ยวเนี่ยต้อขุดลงลงไปขุ ด, ข, ดขุดลงไปมันลึกสักหน่อย <c oughs> ลึกลงไปสักหน่อยเราแสดงค <c oughs> วามเป็น <c oughs> ผู้หน่ำสักหน่อยเราไม่เคยมีรถ <c oughs> แต่ว่ามันน่าจะเป็นเนี่ขุดลงเนี่ยขุดล่องไป เราขุดล่องมันตัล่องแหวไตล่อรถลอรถมันต้องอยู่บนขุดล่องมันต่องแหวนตนลรอรถ ด, ด, ดิ้นแป๊บเดียวมันดิน้นไปโดนลอกก็ไทยละวันได้ล่องได้สบายเลยนี่ลรองงัดเป็นพู้นํ้องไม่ใช่อะไรเห็นปัญหาอะไรทอดทิ้งปัญหาเกิดจากเราแท้ๆน่ะทาไมเราไปทิ้ง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 ไม่ขี้แพ้มานทางไหนแบบไหนที่ปัญหาที่เกิดเกิดลากับใจเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นจะมาทางไหนกิเลสมันได้ไม่ได้ขี่ช่างขี่มากมาอะไรมากมายมันเกิดจากไม่น้อยงั้นดีนน้องสือวันเนี้ยเมื่อวานเนี่ย มีคนต้องไปเจอสังหาชีวิตมานานความต่อ ว, ว่าเลยมันเป็นความทุกข์ความสุขเ<อ>จนไดก็ น, นั่งอยกระท่องหน่อยโอ้ยความสุขมันอยู่ที่กิจความทุกข์อยู่ที่ความคิดหัวล่อนตัวเองขึ้นมาโอ้ยความทุกข์ก็คือความคิด เความสุขก็คือความคิดเกิดจากความคิดนี่เองเนี่ยมันก็เป็นอย่างนี้ได้แต่ว่าพอรู้ธรรมเช่นไหชันหนึ่งเห็นความคิดไม่หลงไปใ น, น, น, นความคิดเห็นความทุกข์ไม่หลงในความทุกข์เนี่ยไม่เคยเห็นความคิด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 เั้นเฉีมบั้นหน่อมต้องบุญหนม่มปัญหาเหต<า>เกิดต้องเหตุนันแหละแก่อะไรที่มันเกิดพระจ้าจังวะเหต<า>ุเกิดจริงใดแก่ตรงนั้นไม่ใช่ปัญหาจิตที่อื่นนี่คือมันมีหลักแบบนี้จริงๆอาสาธรรมะนะี่จึงเป็นการ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 มันก็ต่อไปเกิดแก่ก็เกิดดอกออกผลโตได้ถ้าไม่มีหลงน้ามันหลงไม่รู้ตรงนั้นน่ะมันก็เหมือนต้นก็อยู่เรื่อยมันก็ไม้เกิดดอกออกผลได้หลงเป็นรูน้เนาะมันดีรี่ว่าเหตุยิ่าทำไมเหตุต ป, ประวั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 ดินดีเพอยะห้าปกป่ารกก็เสือดุเสือมันดุอยู่ในป่าป่าจงังรกดินจะดีเพอาะหญ้ามันปกกุดานถ้า <c oughs> ที่ไหนเห็นดินเห็นหญ้าปกประวั า, านไปดูไปย้ายบ้านไปอยู่ที่อื่นถ้าเห็นหญ้าปกบนดินหน้าแรงเห็นต้นไม้ต้นหญ้าเขียว มันแหละเรื่องลูกเรื่องเต้าได้ไม่อดไม่อยากเห็นต้นยา้าเห็นต้นโบกห<า>เห็นต้นยาง<า>เห็นต้นไม้สูงสูงเขาจะมักจะซื้อตรงนั้นเป็นที่ทําอยู่ทํากินของเขาคนโบราณย้ า, าปกตรงไหนดินดีตรงนั้นไม่ใช่ตรงไหนที่มีไม่มียา้าน้องล้งอันนั้นเจ็บหาย นน้ถ้าพูดถึงดินจริงๆเขาก็จะทำหลายพวกยาให้ให้ยาหมดจากแผ่นดินใช้กับมกโซนใช่แล้วปาขีดลองปอยให้ยาตาย <c oughs> ถ้ายาไม่มีในแผ่นดินเราก็อยู่ไม่ได้อันนี้คือยาคือเนี่ยความหลงความโกรธความโลภความทุกข์เนี่ยเป็นยา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 เป็นด่านนี้งปเ็นกลเห็ น, เ, นเ ว, เวทนาเห็นจิดเห็นธรรมผ่านได้ไดก็ง่ายหน่นก็ง่ายไปผ่านหนึ่งได้หนึ่งก็ง่ายไปนะนอันนี้บปจะไปก่อนเกณฑำควรใช้เวลาการับพองกัน